คุณดําเกลืองมากี่คนครับส่งกันบ้านเลยได้ไดคืออยู่กี่วันรอบนี้วั น, นวันนี้วันเดียวครับเอาวันเดียวยครับผมเดี๋ยวก็จะกลับกันหมดครับงั้นเชิญส่งกันบ้านครับคือตอนที่ดูอากายเนี่ยนะฮะมันก็เบาไม่มีอะไรนะครับทีนี้พอตอน เข้ามาดูจิตเนี่ยฮะมันบางทีมันชอบจับแรงไปอะฮะมันเป๊ะเข้ามาที่ไอ้ตรงมันเหมือนมันมันจะเอาตำแหน่งอะฮะเป๊ะเข้ามาเข้ามาตรงเนี้ยมันบางทีมันก็รู้นะฮะแต่ว่ามันอืมมันมันไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ว่ามันมันก็เป็นฮะบางทีคือจริงๆแล้วการดูจิตเนี่ยเวลาที่ใจเราไหลไปเหลอไปนะเช่นเราหลงไปคิดเนี้ย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 ไม่ส่งนอกก็กลายเป็นส่งในครับนี่ทำยังไงมันจะรู้แล้วจบลงที่รู้ได้ไอันนี้ยากทำไม่ได้ไอ้ที่พอดีพอดีเนี่ยนะครับพอดีทำไม่ได้แตนะให้รู้ตรงที่เกิดพอดีเดี๋ยวก็ส่งนอกเดี๋ยวก็ส่งในเราอย่ายไปยินดีกับการส่งในก็แล้วกันครับแล้วก็อย่ายไปยินร้ายมันเข้ามาแล้วไม่ชอบแครบ้รู้ลูกเดียวเลยคือแค่รู้ว่าส่งเข้ามา้างหนก็พอแล้วพอแล้ว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 เสร็จแล้วมันก็ดับไปจิตใจที่มันกลัวไม่ดีมันจะเพ่งกลับหรือจิตใจที่มันอยากสเสวยอารมณ์ภายนอกนั้นส่งออกนอกมีความอยากหนุนหลังนี่ให้เรารู้ลูกเดียวเลยเราจะเห็นในขณะที่รู้แทๆ้ๆ ช, ชั่วแวบเดียวอันนั้นถูกต้องแต่ขณะนั้นเรารักษาไว้ไม่ได้เราจะเห็นเดี๋ยวก็ไปข้างนอกเดี๋ยวก็รู้สึกแวบเดียวเข้าข้างในล้ว เพราะเคยชินที่จะบังคับตัวเองบางทีมันมันมีความพอรู้ว่าส่งหน่อยมันก็ไม่อยากนิดๆนะมันก็มีมึนต้องมีตรงบางทีก็หนีไปอยู่กับความว่างข้างนอกส่งนอกนะอย่างที่อาจารย์ที่เคยสอนนะชีะไปอยู่ข้างนอกอยู่กับความว่างภายนอกแต่อันนี้ไม่ค่อยเป็นครับอ่าไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งเขาไปนิ่งอยู่ข้างในครับ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 เมื่อเมื่อไปจับหลงได้ในขนาดนั้นก็คือก็คือเป็นกลางใช่ไหมพอไรนะพอดีอ่ะใช่ไหมคะคือถ้าเรารู้สภาวะถูกต้องนะตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันพอดีอยู่ในขนาดนั้นแล้วแต่ใจเราเนี่ยมันไม่พอใจแค่นั้นมันอยากจะให้พอดีนานๆมันก็เลยไปทำอะไรขึ้นมาหนึ่งต้องใจถึงๆนะอย่ากลัวหลง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 หลวงปู่สิมบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมานอก น, อกนี่ฟังแล้วงงนะแต่หลวงปู่สิมท่านไม่อธิบายท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอก น, อกนี่กิเลสมันอยู่นอ ก, น, อกนี่ <Okay. S 1> เราไม่รู้หรอกว่าการเข้าไปเพ่งไปจ้องคือการทํางาน <Okay. S 1> การปรุงแต่งฝ่ายดีต่อมาไปกราบหลวงปู่เทศนะท่านก็เลยสอนไม่ส่งนอกไม่ส่งในเป็นกลางๆงไว้ <Okay. S 1> เราได้ยินคําว่าเป็นกลางๆไว้ก็ไปหาทางประคองให้เป็นกลางอีก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 รู้สึกโอ้เราดีนะเราดีนะอย่ารู้สึกอย่างนี้คือมีโอกาสได้พบท่านวันนี้ครั้งเดียวเราก็จะกลับแล้วแล้วก็อยากจะเรียนให้ท่านช่วยชี้แนะว่าท่ันควรจะทํำยังไงต่อไปในขณะนี้คะ่ะก็มีข้อวัดไม่อันหนึ่งนะมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมของเราแต่ละคนอะ่นะเลือกดูเอากายเวทนาจิตธรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่อยู่แล้วสบาย บางคนอยู่กับพุโทโธสบายบางคนอยู่กับลมหายใจสบายบางคนดูท้องพองยุบแล้วสบายอะไรก็ได้เสร็จแล้วเราก็อยู่กับอารมณ์ันนั้นอย่างสบายๆแล้วก็เราก็คอยรู้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกมันจะได้ไม่ไปตรึงของโยมมันตรึงมากไปมันตรึงความรู้สึกมากไปนะคลายออกที่ตรึงไว้แล้วก็รู้เล่นๆรู้สึกไหม บ, บังคับ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 มันเคลื่อนไปที่ท่านมันะเคลื่อนแล้วให้รู้ทันมันรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆดูไปจนเห็นเลยมันทํางานได้เองรู้สึกไหมจิตตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันเลยวไม่ค่ ะ, ะเนี่ยจิตเริ่มตื่นขึ้นมาล้วแม้แค่เรารู้ทันตามความเป็นจริงนะรู้สภาวะตามความเป็นจริงจิตก็จะตื่นขึ้นมาจิตเลื่อนสักว่ารู้สักว่าเห็นได้เนี่ยเคลื่อนแล้วทราบไหมตัว น, นี้เคลื่อนเคลื่อนไปแล้วเคลื่อนไปดูที่กายไม่เอาสิ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 พักพวกช่วยจาหน่อยนะช่วยๆกันช่วยจําให้จาคนเดียวเดี๋ยวจาไม่ไหวค่ะอ้าต่อไปหลวงพ่อขาโยมไปไปคอยคิดแต่ว่าจะส่งกันบ้านหลวงพ่ อ, อยังไงถ้าหลวงพ่อถามโยมจะตอบอยังไงโยมไม่ทราบว่าตัวเองไปติดสงสัยสงสัยเอ๊ะตอนนี้จิตเป็นไงเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยคะ่ะก็ยังดีที่รู้นะ แต่ว่าที่โยมเตรียมคําตอบไม่แปลกลเพราะเตรียมทุกคนแหละอย่างน้อยถ้าถูกถามต้องตอบได้คนก็ไปแต่งคําพูดไปนะแจะต้องไม่มีคําว่าพยายามนี่คำนี้ต้องไม่ให้หลุดนะถ้าหลุดแล้วตกใจเลยนโยมก็ก็ไปทําอย่างนี้อีกปกติจะฟังซีดีหลวงพ่อตลอดเวลาอยู่ที่บ้านเชียงใหม่นะคะ่ะคือนี้เราเอ๊ะเราพึ่งหลวงพ่อมากไปลองลอ ง, ลองทำเอง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 นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยทำมิจฉาสมาธิรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมรู้ท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่กับเท้ารู้อิริยาบถสีเพ่งมันทั้งตัวเลยะจิตจะไหลไปตลอดถ้าจิตเราไหลไปนะจิตเข้าไปแช่ในอะารมณ์แดนหนึ่งไม่ใช่สัมมาสมาธิจะทํำวิปัสสนาไม่ได้จเจริญปัญญาไม่ได้เนี่ยเบอร์หกสิบจิตไหลเข้าไปแล้วทราบไหม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 จะเห็นเลยทุกอย่างเป็นใจรักยกเว้นจิตที่ไปรู้นี่ไม่เป็นใจรักษจิตที่เป็นผู้รู้กลายเป็นผู้เที่ยงอยู่อย่างนะั้นะเราอยังเห็นสิ่งบางสิ่งเที่ยงอยู่ในขั้นห้านี่สักยัติที่จะไม่ขาดตัวสัมมาสมาธินี่ก็อันเดียวกับตัวเอโกทิภาวะใ ช, ใ ช, ใช่คือเอโกทิภาวะพวกเราเรียนเรื่องสมาธินะเราเรียนองค์ชานต่างต่ะ เราไปเรียนแบบอภิธรรมเราไม่ได้เรียนแบบพระสูตรองค์ธรรมของสมาธิแต่ละชั้นแต่ละชั้นใช่ไหมมีวิตกวิจารณ์ปีติสุเรงกัคาตาอะไรเนี่ยเรียนอย่างอภิธรรมในพระสูตรไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในพระสูตรเนี่ยในสูตรที่สองในทุติยฌานฌานที่สองจะมีเอโกทิภาวะนนเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยภาวนาจนเกิดเอโกทิภาวะขึ้นมาก็เกิดตัวสัมมาสมาธิแท้ๆขึ้นมนาะ ทำไมต้องเป็นฌานที่สองก่อนถึงจะเกิดเอโก้ที่ภาวะเพราะฌานที่หนึ่งยังมีวิตกวิจารอยู่รับใดยังมีวิตกวิจาร์อยู่นะจิตยังไม่เป็นาธาตุรู้ออกมาหรอกอเชิญต่อเชิญเบอร์60ไปหามันอีกแล้วสงใจไปเที่ยวแสวงหามันโยมก็ยังส่งจิตออกนอกอยู่บ่อยๆชะค่ะแล้วก็พอรู้ตัวขึ้นมาก็กล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 คอยสำรวจตัวเองเรื่อยๆบางคนก็ไปสร้างพบขึ้นอันหนึ่งแล้วก็ไปค้างอยู่ในพบอันนั้นว่างๆบางคนภาวนาสังเกตไหมไม่ต้องบางคนะทุกคน่ะเราจะมีความรู้สึกลึกๆนะทํำยังไงถึงจะดีทํำยังไงถึงจะถูกรู้สึกไหม <c oughs> ทํำยังไงถึงจะดีทําไงถึงจะถูกท่านไม่ได้ให้ทํานะท่านให้รู้แต่ว่าใจของเราอดคําว่าทําไม่ได้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 ความโกรธความโลบความหลงไม่ใช่เราลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆนะดูไปเป็นวันนึงมันตัดจริงๆมันมีกระบวนการของการเกิดอริยมรคนะเราอย่าไป น, นึกเอาเองว่าเอาละดูมาแค่นี้พอสมควรแล้วตัดแล้วอย่านึ้อเอาเองนะกระบวนการแห่งการเกิดอริยมรคมีอยู่คุณดาเกิงหนีไปละ เอาไปถึงไหนแล้วเอาคนเชียงใหม่ก่อนนะคนเชียงใหม่หน่อยเหลือกี่คนอุสามามาด้วยวันเดียวมาวันเดียวไม่ค่อยได้เรื่องหรอกนั่งรถมาก็เหนื่อยแล้วอาว่าไปจิตก็ยังแข็งแข็งอยู่ค่ะมีเป็นช่วงๆที่บางทีก็มีการเกลรงก็ขอหลวงพ่อช่วยแนะนําด้วยค่ะมันเกรงเหรอ<ะ>เกรงก็รู้นะอย่าอยากหายเกรง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 ปลอดภัยแล้วก็วจะมีความทุกข์แต่ทุกข์น้อยลงหน่อยหนึ่งนิดหน่อยนะก็โสดาบันก็ยังทุกข์เยอะนะ <c oughs> ละกิเลสอะไรไม่ได้ละได้ความเห็นผิดเท่านั้นเองก็ <c oughs> คอยรู้มากๆรู้ไปใจลอยแล้วทราบไหม <c oughs> ใจลอยไปมันลืมตัวเองนี่พอจะไม่ให้ใจลอยไปก็ไปเพ่งไว้ <c oughs> มันสุดโต่งสองข้างเนี่ยเราเลยไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นได้เพราะใจลอยไปมันไม่รู้กายรู้ใจ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 แกแล้วมากอยหัวแข็งไม่ใช่แค่กระดูกแข็งข้อแข็งนะหัวแข็งแต่พวกเราไม่มีเลยพวกเราใจของพวกเราอ่อนเดี๋ยวธรรมะนะดีมากเลยแล้วพวกเราภาวนาจริงๆไม่ได้ภาวนาหยอหยอใหญ่ให ญ, ใหญแต่ละคนนะทุ่มเทเอาชีวิตเข้าแลกมาละคนภาวนาต้องใจถึงถึงอย่างนี้บางคนทำหยอหยอใหญ่ให่พวกเด็กๆ มาเชฟย่างดีนะดีกว่าไม่ทําเลยเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อว่าพวกเด็กๆ <c oughs> ก็ดีกว่าไม่ทําเลยมันทําแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ทํานะยึกยักยึกยักจริงจริงการภาวนามต้องเด็ดเดี่ยวอย่างที่พวกทีมเชียงใหม่ทํานี่เด็ดเดี่ยวใช้ได้เลยนี่ให้หลักให้มันแม่นให้รู้กายให้รู้ใจไปเรื่อยเรื่รู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยเรื่ถ้าหลักนี้แม่นนะ้ำจะเดินไปได้เองแล้วก็แต่ละวันก็สํารวจใจเราเราไปติดไปข้องอะไรบ้าง มีอยู่เจอย่างที่จะไปติดไปคล้อ ง, องพระพุทธเจ้าบอกติดฝั่งนี้ติดฝั่งโน้นท่านเทียบจิตใจของเราที่ไหลไปในน้ําจิตใจเหมือนเหมือนไม้นะไหลในแม่น้ำนํำคงคากระแสน้ําที่ไหลไปคือตัวสั ม, มาธิจิตคือการที่เรารู้หลักของการปฏิบัติถ้ารู้หลักของการปฏิบัติเนี่ยจิตจะโน้มน้อมไปสู่นิพพานโดยอัตโนมัติ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 นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจิตจะหมดความยึดถือกายได้พระอนาคามีนะถ้าหมดความยึดถือกายมันจะไม่ยึดในกามแล้วนะกามและปฏิฆาจะไม่มีถ้าจากนั้นการปฏิบัติจะบีบวงเข้ามาที่จิตแล้วจะมารู้อยู่ที่จิตผู้รู้นี่เองจนเห็นแจ้งนะจิตนี้ไม่ใช่เราหรอกนะอันนี้เห็นมาก่อนแล้วแล้วก็หมดความยึดถือจิตไปสลัดคืนจิตให้โลกไป